สามสิบแปดแในรถแท็กซี่ในท็กซนช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับเวอร์เวนลีย์ออกเร่ง f t e r in ท็กซไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ ไ, ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับร า, นนาร์กาวารุณาตรงไปครับ ก, การุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ ท, รทิ ก, กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ ผมรีบฉันมีวลาฉันมีเวลาฉนมีาันมีามีลาฉมีมีเวลาัน ม, มีเวลาฉัมเ า, าัมีเวลาฉลาฉันมีาัมีเาันีเวลาฉันมีวลมีเันเวาเวนี่นีเครัลาฉันมมีเาาีนีัเวาเวนีี กรุณารอสักครู่นะครับ it, เดี๋ยวผมกลับมาครับขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับผมไม่มีเงินทอนไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณครับที่เส a ร e s ไรส์นขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับขี่มาที่ดิน e ี้ับขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับขี่ลขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ e ี t ม